ธรรมาธรรมมีอยู่บาปมีอยู่บุญมีอยู่นรกมีอยู่สวรรค์มีอยู่ภพมโลกมีอยู่นิพพานมีอยู่และสัตว์โลก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 มาแนะนำสั่งสอนทาทั้งมวลทิดพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นและสิ่งทั้งปวงสถานที่ทั้งมวลดังกล่ามานี้ซึ่งเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นสัตว์ทั้งหลายไม่สามารถจะรู้จะเห็นจะเชื่อได้ในขั้นเดิมแรบกบ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 สิ่งที่สุดวิสัยของโลกจะรู้จะเห็นจะเชื่อถือได้เพราะไม่มีรายใดไปพบไปเจอไปรู้ไปเห็นมาพอจะนำสิ่งที่ตนรู้ตนเห็นนั้นมาพูดมาเล่าให้เพื่อนฝูงกันต่างจะเป็นรายใดก็ตามในแหล่งแห่งโล ก, กทรฐานนี้ไม่มีแม้แต่รายเดียว มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นพระองค์แรกที่ทรงรู้ทรงเห็นทั้งบาปทั้งบุญทั้งนรกสวรรค์เปรตผีต่างๆในพบน้อยพบใหญ่ซึ่งเป็นไปอยู่ตามวิบากของตนของตนแต่ถึงขั้นสูงขึ้นไปเทบุตเทวดาสวรรค์ชั้นพรมโลกมีพระพุทธเจ้าเท่านั้น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 สิ่งที่รู้ที่เห็นสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์นึกคุกคา้ากันอยู่ตลอดเวลาในพบชาติต่างๆมาตั้งกับทั้งกันก็คือความมืดบอดและสิ่งที่อยู่ในยิสัยของตนจะพึงรู้พึงสัมผัสได้เท่านั้น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 จมูกลิ้นกายมีแต่สัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งที่อยู่ในสัยของตนไม่นอกเหนือไปจากนี้ได้ใจแม้จะเป็นความรู้เรียกว่าเป็นพื้นฐานแห่งตัวรู้อยู่แล้วก็าตาแต่ใจดวงนี้ก็ถูกปิดบังหุ่มหอ่ออยู่กับ จึงมืดมิดปิดตาทั้งหลายอีกด้วยจึงรู้แบบที่ธนวัานอวิชชาปัจจยาหรือว่าอวิชชารู้ก็รู้แบบฝ้าฝ้าฟังฟา ง, ฟางไม่รู้เต็มหูเต็มตาเต็มดวงตาจริงๆ ร, รู้แบบฝ้าแบบฟางไม่รู้เต็มเม็ดเต็มหนวย เต็มอัตราแห่งความรู้ของตนทำจริงเข้าสู่จิตใจของโลกไดยระยะเพราะเหตุเหล่านี้แหละแล้วผู้ที่มาประกาศสั่งสอนโลกนั้นก็มีเพียงพระองค์เดียวในขั้นเริ่มแรกคือพระพุทธทเจ้าคนทั้งโลกาสาต์ทั้งโลกเคยเชื่อสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์กัน มาแล้วมากมายต่างคนต่างสัมผัสสัมพันธ์ในสิ่งที่อยู่ในยิสัยของตนเมื่อกันเมื่อพูดสิ่งเหล่านี้มาสู่กันฟังโลกทั้งหลายก็เชื่อกันได้ไง่ายงเพราะอยู่ในยุสัยของตนที่รู้ที่เห็ น, ท, หนที่ควรจะเชื่อได้หรือเชื่อได้ย่อมเชื่อได้อย่างง่ายดายแต่สิ่งที่เหนือจากนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ตนไม่เคยรู้เคยเห็น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 สำหรับสัตว์โลกที่จะเปิดทางจากสิ่งปิดบังหุ่มห่อหรือกีดขวางรัดตรึงอยู่ภายในจิตใจนี้ให้ออกได้ทีละเปาะสองเปาะหรือทีละเก้าสองเก้างเป็นความลำบากมากเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นประหนึ่งว่าอวัยวะเดียวกันกับทั้งร่างกายและจิตใจของสัตว์แต่ละรายละลาย ทั้งๆ ท, ที่สิ่งเหล่านี้เป็นของปลอมไม่ใช่ของจริงคือใจแท้นั้นจริงแต่สิ่งที่เคลือบแฝงอยู่กับใจนั้นปลอมตานั้นเห็นได้จริงแต่สิ่งที่จะเคลือบแฝงให้ไปพาหลงทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายในเมื่อสัมผัสสัมพันนั้นมีอยู่อีกฉากหนึ่งคืออยู่ฉากหลัง จึงมองเห็นอะไรย่อมเป็นไปด้วยความรากักความชังความเลียดความขู่ไม่ได้เป็นไปตามหลักความจริงในสิ่งที่ตนได้เห็นได้ยินได้ฟังนั้นอย่างเป็นเม็ดเต็มหน่วยเลยนี่หละคำว่าทำทำจึงแม้จะมีอยู่มาตลอดอนันตกาลก็าตามและมีอยู่ในที่ทั่วไปก็าตา สาติโลกทั้งหลายก็ไม่สามารถที่จะปรับเครื่องรับธรรมทั้งหลายเฉพาะอย่างยิ่งคือใจที่เป็นเครื่องปรับให้เข้าสู่ทมขั้นต่างๆได้เป็นอย่างดีเพราะไม่สามารถที่จะปรับได้ทมจริงเป็นของลำบากสำหรับโลกที่จะสัมผัสสัมผั์ได้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 จางออกไปถ้าเป็นเมฆหนาหนามืดมืดทึบๆก็จางออกไปกระจายออกไป ม, มองเห็นทิศเห็นทางได้โดยลําดับลำดาบมีหลักการได้ยินได้ฟังจากแม้จะเป็นกระแสแห่งธรรมก็าตามที่แสดงออกทั้งหมด จ, จากพระพุทธเจ้าก็าตามจากพระสาวกทั้งหลายก็าตามเป็นอาการแห่งธรรมทั้งนั้น จริงแต่เมื่อได้ฟังอาการแห่งธรรมกระแสแห่งธรรมซึ่งเต็มไปด้วยเหตุด้วยผลที่จะยังสัตว์ทั้งหลายให้เข้าสู่ความจริงได้ย่อมจะเข้าสู่ความจริงได้เป็ น, นำลำาาับรรมดาเพราะการได้ยินได้ฟังอยู่โดยสม่ำเสมอหากเราจะพิจารณาธรรมดา ด้วยเอาสิ่งต่ำช้าแล้วสามที่ฝังใจเป็นเจ้าอำนาจนี้ออกมาคิดมาปรุงกันก็ง่ายทามีอยู่ทั่วไปตามคำพีไบหลานต า, ตามวัดตามวาคูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนมีเต็มไปหมดนี่เราพูดสมัยที่มีาศาสนาอย่างนี้ก็ง่ายแต่ว่าธรรมที่จะให้เป็นประโยชน ให้สัมผัสสัมพันธ์กับใจของตนให้ตื่นเต้นให้สะดุดใจให้เกิดความเชื่อความนำใสให้เกิดความกระยิมให้เกิดความพอใจให้เกิดความสุขเป็นลำดับตำดานั้นเป็นสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์ได้ยากถ้าไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วทำแท้ดังที่กล่าวมาเหล่านี้จะไม่สัมผัสสัมพันธ์เลย ตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งวันตายจะเกิดเปล่าเปล่าเหมือนต้นไม้ใบหญ้าเกิดขึ้นมาและตายทิ้งเปล่าเปล่าเหมือนต้นไม้ใบหญ้าตายนั่นแหละคุณสมบัติที่จะเอาทำประโยชน์อะไรไม่ปราบมีร่างกายเนอตัวของเราทั้งทั้งร่างทั้งตัวนี้ก็จะเป็นเช่นนั้นเกิดแล้วตายเล่าตายแล้วเกิดเล่า ก็ไม่ผิดอะไรกับวัตถุต่างๆที่เกิดที่ตายกันเกือนโลกอันนี้ทําไม่ส่แสวงหาสารธรรมให้เข้าสู่จิตซึ่งเป็นสาระสำคัญอันหนึ่งหรือปรับปรุงจิตของตนให้เข้าสู่ระดับอันควรจะสัมผัสสัมพันธ์ธรรมได้คือทำแท้ได้ด้วยการปฏิบัติแล้วเราจะไม่มีทางรู้เห็น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 สุแดนที่จะควรสัมผัสสัมพันธ์ธรรมได้ตามขั้นตามภูมขิของธรรมตามกําลังความสามารถของตอนอยู่แล้วยิ่งควรกระตือรือล้นในการประพฤติปฏิบัติตนคำว่าธรรมเริ่มต้นตั้งแต่สมาธิธรรมเนี่ยสิ่งที่จะสัมผัสสัมพันธ์ให้เห็นชัดเจนภายใน ใ, ใจการให้ทานการรักษาสีมนั้น ก็เป็นผลปรากฏในใจแต่ไม่เด่นชัดเหมือนสมาธิธรรมปัญญาธรรมตามขั้นของธรรมนั้นๆจนถึงขั้นวิมุตติธรรมธรรมนี้เป็นธรรมแท้ชื่อของสมาธิก็ไม่ใช่ธรรมแท้ชื่อของปัญญาก็ไม่ใช่ธรรมแท้ คือของวิมุตรหลุดพ้นหรือพณิพานก็ไม่ใช่ธรรมแท้ธรรมแท้คือสิ่งที่สัมผัสกับใจของตนว่าใจสงบเป็นสมาธินั่นใจได้เริ่มสัมผัสสัมพันธ์ธรรมแล้วสมาธิขั้นใดมีความสงบเย็นใจขนาดไหนก็ทราบได้ชาติภายในใจ นี่คือทำแท้แม้จะเป็นขั้นทำทำขั้นแหน่งทำที่ยังต่ำยังหยาบอยู่ก็าตามแต่ก็เป็นทำแท้เช่นเดียวกับธนบัตรใบสิบบาทยี่สิบบาทใบร้อยบาทห้าร้อยบาทเป็นธนบัตรที่จริงไปทําตามกันมีคุณภาพตามลําดับกำดาของตนไปโดยลําดับ มีธรรมก็เช่นนั้นเหมือนกันคำว่าสมาธิธรรมเริ่มแรกตั้งแต่จิตได้รับความสงบเพราะการภาวนาการอบรมจิตใจการรักษาจิตใจบำรุงจิตใจด้วยสติคลี่คลายสิ่งที่ปิดบังหุ่มห่อภายในจิตใจด้วยปัญญาอยู่โดยสมั่งเสมอสมาธิก็เริ่มปรากฏขึ้น คำว่าสมาธิเริ่มปรากฏก็คือความสงบเย็ยนใจความมั่นคงของใจความมีหลักฐานของใจเริ่มปรากฏขึ้นเป็นลำดับลำดาแล้วนะการพิจารณาทางด้านปัญญาคลี่คลายสิ่งที่รัดลึงภานจิตใจด้วยองนาจแห่งอุปท า, านเพราะเป็นสาเหตุมาจากความรุ่มหลง ก็คี่คลายลงไปตามหลักความจริงให้เห็นได้โดยลำดับลำดาอุปาทานซึ่งเป็นสิ่งที่หนักมากยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกทับใจอยู่ตลอดเวลานั้นก็จะคลายตัวออกไปโดยลำดับลำดาเพราะความรู้ความรู้ความเข้าใจด้วยปัญญาที่เกิดขึ้นจากการพิจารณานั้นแหละ จะเป็นสิ่งที่คลี่คลายหรือแก้สิ่งที่มัดรึงติดใจเอาไว้ออกไปได้เป็นอย่างย่อมเมื่อปัญญาได้ปรากฏขึ้นยังผลให้จิตได้รับความเบาบางมากน้อยเพียงไรเราก็ทราบได้ชัดว่านี่ทำแท้ที่เกิดขึ้นจากด้านปัญญาได้ปรากฏขึ้นแล้วอย่างนี้อย่างนี้ ปัญญามีหลายขั้นการพิจารณาในขั้นเดิมแรกจะไม่สะดวกฝืดๆเครื่องๆคัดๆคล่องๆแต่พิจารณาหลายทั้งหลายหนปัญญาก็ย่อมมีความราบปรื่นมีความคล่องแคล่วแก้วข้าฉลาดแหลมคมขึ้นไปเป็นลำดับลำนาผลที่จิตได้รับ จากปัญญาเป็นผู้แก้ผู้สอดผู้ถอนผู้เบิกทางอันรกรุ ง, งรังด้่วที่เลือดอุปทานทั้งหลายออกได้เดิมดับนั้นก็ย่อมสวา่างกระจ่างแจ้งขึ้นสแสดงผลเห็นอย่างชาัดเจนภายในใจนี่ก็คือธรรมธรรมได้ปรากฏขึ้นแล้วภายในใจสมาธิธรรมปรากฏขึ้นแล้วที่ใจ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 สติปัญญาซึ่งได้รับการอบรมมาอยู่ไม่หยุดไม่ถอยฝึหกหัดค้นคว้าจนมีความคล่องแคล่วภายในตัวแล้วสิ่งใดที่มีจะปิดบังหุ่มหอ่อภาณใจิตใจมากน้อยเพียงไรเยียวโยงมา ก, กับอะไรสติปัญญาจะสามารถ ผนตลบทบทวนในสาเหตุที่เกี่ยวโยงนั้นอันเป็นทางให้จิตใจไม่ยึดถือนั้นเข้าไปโดยลำดับและตัดขาดไปได้เป็นวักเป็นต่อนและคำว่าผลของปัญญานั้นก็คือจิตเป็นผู้รับ ะจะเกิดความสว่างสวัยขึ้นภายในใจสรุปความลงในข้อสุดท้ายแห่งยอดธรรมก็คือสติปัญญานั่นแหละเป็นเครื่องกาจัดฟาดฟันหันแหละสิ่งรบกุมรังทั้งหลายภายในใจิตใจอันเป็นส่วนละเอียด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 ความจําได้หมายรู้สังขารความคิดความปรุงวิญญาณความรับรู้ในเมื่อสิ่งต่างๆเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์นคำอา ย, ย, ยตนะไม่มีความี่ยวโยงไม่มีการประสานตัดขาดาจากกันทั้งหมดทั้งอายตนะภายนอกคือรูปเสียงสิ่นลดเครื่องสัมผัส ตาดขาดทั้งระยะตันอายตนะภายในคือตาหูจมูกเลี้ยนกายจิตก็รู้เท่าตัวเองมีขาดภายในจิตอีกด้วยไม่มีเนื่อนต่อได้เลยนั่นแหละท่านเรียกว่าทมเลิอยู่ที่ไหนก็ไม่มีคำว่าการสถานที่ที่จะไม่อยู่กับธรรมเลิศประเพนี้ เพราะใจเป็นกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วนี่แหละท่านว่าธรรมประเสริฐจะปรากฏขึ้นที่ใจแล้วไม่ว่าทำขั้นใดจะปรากฏขึ้นที่ใจทั้งนั้นและธรรมที่กล่าวมาทั้งมวลนี้ก็มีพระพุทธเจ้าพราะองค์เดียวเท่านั้นเป็นผู้ทรงค้นพบรู้เห็นทุกแง่ทุกมุม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 ถูกพันนดลึงอยู่ทั้งนั้นจิตจึงหาอิสระไม่ได้เมื่อจิตเต็มไปด้วยสิ่งกดขี่บังคับสิ่งปกปิดกำบังแล้วจะมองเห็นความจริงได้อย่างไรมันสัมผัสสัมพันธ์อยู่กับสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นคามมาธรรมจะปรากฏขึ้นภายในใจได้อย่างไรธรรมไม่ใช่ประเภทเหล่านี้ประเภทเหล่านี้เป็นเรื่องของสมมุติประเภทเหล่านี้เป็นเรื่องที่ปิดจิต ป, ปิดใจต่างหา ไม่ใช่ประเภทที่จะเปิดเผยจิตใจฉุดลากสิ่งเหล่านี้ออกให้ได้มองเห็นใจเห็นธรรมได้อย่างชัดเจนทมจึงเป็นธรรมเมื่อนำมาปฏิบัติเพีงจะปรากฏขึ้นภายในยใจิตใจนางพระพุทธเจ้าทรงสแสดงถึงเรื่องว่าบาปมีอยู่ใครจะไม่ทราบก็าตามบาปนี้เป็นของมีอยู่ดั้งเดิม บุญเป็นของมีอยู่ดัางเดิมบาปก็คือความทุกข์ของสัตว์บุญก็คือความสุขของสัตว์ของคนนั่นแหละนรกเป็นสถานที่อยู่แห่งผู้มีบาป ก, กรรมอันชั่วสวรรค์เป็นสถานที่อยู่แห่งผู้มีบาปกรรมอันดีพรมโลกก็เหมือนกันเป็นชั้นชั้นขึข้นไปเป็นที่อยู่ของผู้มีบาปกรรมอันดี นิพพานเป็นที่อยู่ของท่านผู้บริสุทธิ์สิ่งเหล่านี้ใครจะเห็นใครจะรู้ได้เพราะไม่ไม่มีเครื่องมือใจไม่สว่างก็าจ่างแจ้งใจไม่พ้นสิ่งปิดปกปิดกำบังทั้งหลายมองก็มองไปด้วยความมืดความบอดที่จิเรดปิดบังตาเอาไว้บุญจะมีบาปจะมีอยู่ทั้งกับทั้งกันก็หาได้เจอไม่หาได้พบไม่ ทั้งๆ ท, ที่บุญมาปก็สัมผัสสัมพันธ์อยู่กับใจนั่นแหะก็ไม่ทราบได้พระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นผู้สามารถทราบตามหลักความจริงการตรัสรู้ธรรมตรัสรู้ตามหลักความจริงไม่ใช่ตรัสรู้ด้วยความจอมปลอมสิ่งไดที่มีอยู่เป็นอยู่จึงทรงยอมรับตามความมีอยู่เป็นอยู่ของสิ่งเหล่านั้น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 พยโยยอสัปปตาปัสสะอกัการังการไม่ทําบาปอยากช้าหลามกทั้งปวงหนึ่งอุสรสู้ประซมประดาการยังกุศลคือความฉลาดให้ถึงพร้อมขึ้นที่ใจหนึ่งสกิตะปะโยดัปั น, นังการยัง ทำราจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์หนึ่งเอตังบุทานาสาสนหังนี่คือทำ ค, คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี่ชงสอนไว้อย่างนี้เพราะการตรัสรู้ธรรมนั้นตรัสรู้สิ่งที่มีอยู่เห็นอยู่ไม่ได้อุตริไปตรัสรู้ในสิ่งที่ไม่หิไม่มีไม่เป็น โดยเหตุ น, นี้การสั่งสอนจึงต้องสั่งสอนตามสิ่งที่มีที่เป็นนั่นแหละแล้วทีนี้ย่นเข้ามาคือใกล้ก็มีไกลก็มีเหมือนอย่างที่เราเห็นสมมุติปรากฏในโลกมีทั้งใกล้ทั้งไกลมีทั้งในทั้งนอกขณะย่นเข้ามาถึงเรื่องที่ว่าบาปมีอยู่สําหรับผู้ปฏิบัติมีอยู่ที่ตรงไหนบาป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 ท่านบอกว่ากิเลสเป็นเหตุให้เป็นสาเหตุให้ทํากรรมเมื่อทํากรรมแล้วย่อมได้รับผลของกรรมท่านที่ว่ากิเลสวิบากนะจะรับผลของกรรมวกเยียนกันไปมาอยู่เช่นนี้ไม่มีสิ้นสุดไม่มีต้นไม่มีปลายเหมือนมดแดงใตขอบดงนั่นแหละตายกลับไปวนไปเรียนมาอยู่ในขอบดงขอบเดียวสําคัญว่าเป็นของใหม่ไปเรื่อย หาทางออกไม่ได้นี่ที่ที่สร้างบาปก็คือใจเมื่อสร้างบาปแล้วความทุกข์ก็เกิดขึ้นที่ใจที่สร้างบาปก็คือใจเมื่อคือที่สร้างบุญก็คือใจเมื่อสร้างบุญได้มากน้อยความสุขก็ปรากฏขึ้ น, นที่ใจที่ใจมีความละเอียดมากน้อยเพียงไรการเดื้อ ช่านภูมิของตนก็ย่อมเลื่อนไปตามลำดับลาดาแห่งคุณสมบัติของใจที่จะกล้าเข้าสู่สภูมินั้นๆเมื่อจะย้ายออกจากภพชากที่เป็นอยู่นี้ไปสู่ภพชากดึกสถ า, านที่อื่นเรียกว่าประโลกก็ต้องกล้าออกไปด้วยกำลังแห่งบุญแห่งบาปที่บรรจุไว้ภานาจิตใจได้มากน้อยเพียงไหน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 แล้วทีนี้จะลบล้างได้ยังไงเมื่อเข้าถึงตัวผลแล้วลบล้างไม่ได้ทุกทุกมากน้อยเพียงไรจนถึงขั้นมหันต์ตรุษเราก็จําต้องยอมรับให้เต็มที่เต็มฐานจะ ต, ตายก็ไม่ตายเพราะจิตไม่เคยตายหากทุกเต็มที่เต็มฐานเพราะอํานาจของกรรมมากน้อยที่พาให้ทุกข์ยู่นั่นแหละจนกว่าจะพ้นผ่านพ้นนั้นแต่ได้เพราะ คำว่าบาปก็เป็นของไม่เที่ยงบุญก็ยังเป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันย่อมมีทางสิ้นสุดไปได้มีหมดไปได้มีเบาบางไปได้เหมือนอย่างคนพ้นโทษนอกจากก้าวเข้าสู่นิพพานเสียอย่างเดียวเท่านั้นนั่นนนั้คำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไม่ถึงถึงการสร้างบุญก็เทียบกันได้กับการสร้างบาปสร้างบุญนี่คือทาเป็น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 นี่คื อ, คอกิเลสพาให้สร้างกรรมเป็นอย่างนั้นแต่ทำรรพาให้สร้างกรรมให้สร้างแต่คุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลเห็นการให้ทานการรักษาศี่การภาวนากิริยาอะไรก็ตามที่แสดงออกจากการกระทําที่เป็นผลเป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นไม่มีการกระทบกระเทือนให้เกิดความเสียหายเดือดร้อนอันเกี่ยวกับกิเลสแท้แคลงอย่างนั้นเรียกว่าทำพาให้สร้างบุญสร้างความดี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 ย่อมจะระบายออกมาในทางที่ทถูกที่ดีผลก็สะท้อนย้อนกลับเข้าไปเป็นความพึงใจของจิตเสียเองเพราะเราเป็นผู้ทาผลย่อมเกิดขึ้นกับเราเมื่อมีภูมิอัดภูมิธรรมควรจะก้าเข้าสู่ขั้นภูมิสูงมักน้อยเพียงไรก็พลังแห่งธรรมพลังแห่งบุญแห่งกุศลที่เกิดขึ้นจากธรรมเป็นผู้พาให้สร้างนั่นแหละจะเป็นผู้ ส่งเสริมให้ไปเกิดในภพนั้นนั้นคือภพอื่นภพหน้าชั้นอื่นชั้นหน้าเช่นเ ช, นช่นสวรรค์พรมโลกดังท่านกล่าวไว้สวรรค์ก็หกชั้นพรมโลกสิบหกชั้นนิพพานเรานี้เป็นสถานที่ที่อยู่ของผู้มีบุญเพราะ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 นี่สร้างความดีมาแล้วนั่นเลยนัตว์โลกท่องเที่ยวอยู่ตามที่กล่าวเหล่านี้หละทีอบายยภูมนิรารกเปรตอสุรกายซาดินาฉานท่านกล่าวไว้ สัตยยัญชันเราก็เห็นด้วยตาเนื้อของเราว่ามีหรือไม่มีเราสงสัยที่ไหนเมื่อสิ่งรับสัมผัสสัมพันธ์กันมีอยู่ก็ย่อมเชื่อตามสิ่งที่มีอยู่เพราะการสัมผัสสัมพันธ์ทางตาทางหูของเรานี่เรียกว่าสัตยยัญชัน ส่วนเปรตเราไม่สามารถเพราะภูมิของเราไม่มีความรู้ของเราไม่มียานยานอย่างทราบคือเป็นเครื่องมืออันละเอียดละอ่ทางด้านธรรมะของเราไม่มีนรกเราก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นทั้งๆ ท, ที่มีอยู่พวกเปรตพวกผีมีอยู่นรกมีอยู่ สัตยเฉาฉานมีอยู่แต่เราจะสามารถทราบในเป็นในบางสิ่งบางอยา่างแม้แต่สัตว์นี้เราก็จะทราบได้แต่สัตว์ที่มีอวัยวะหยาบตอนนั้นส่วนละเอียดสุดวิสัยที่จะมองเห็นด้วยตาเนื้อแล้วเราก็ไม่สามารถนอกจากมีเครื่องช่วยเช่นกล้องส่องลงไปเป็นกล้องส่องดูเชื้อโรกพอเห็นได้สิ่งที่เนื้อวิสัยของ สุดวิสัยของเราที่จะเห็นได้ตามหลักธรรมที่ปุริจ้าทรงแสดงไว้นั้นมีมากมายก่ายก่อนนี่แหละเราจะเห็นได้ชัดว่าพุทธวิสัยคือวิสัยความสามารถของพระพุทธเจ้ากับสามัญวิสัยคือความสามารถอากรู้ของสัตว์โลกทั้งหลายนั้นต่างกันอย่างไรสิ่งที่มีอยู่ท่านเห็นเราไม่เห็นมีเยอะท่านรู้เราไม่รู้มีมากมาย ทั้งส่วนยาส่วนกายส่วนละเอียดท่านรู้ท่านเห็นทุกสิ่งทุกอยาก่างแต่เราไม่ได้ทุกสิ่งถ้าคิดถึงร้อยสิ่งแล้วเราจะเห็นเพียงสิ่งเดียวสองสิ่งท่านร้อยทั้งร้อยทัน้นหนดนี่แหละศาสน า, า, าองค์เ อ, เอทรงสั่งสอนชัดโลกตามหลักความจริงที่มีอยู่ไม่ทรงลบล้างว่าบาปมีก็ก็บอกว่ามีและสอนวิธีให้ละบาป หากเคยมีอยู่แล้วในตัวของศาสตว์โลกก็ต้องสอนให้ละอย่าพากันกำ เ, กเริบเกิดสารยินดีในการสร้างบาปจะเป็นบาปแล้วจะหาปองทุกข์ทั้งมวลไว้ที่ตัวของเรานั่นแหละไม่มีที่ใดเป็นที่บรรจุบาปไว้ไม่มีตู้ไม่มีหีไม่มีห้วยหนองคลองบึงจะบรรจุบาปของแต่ละบุคคลคนหนึ่งคนหนึ่งสร้างเอาไว้แต่สถานที่ อยู่ของบาปทั้งหลายคือใจใจของผู้สร้างนั่นแหละไม่ใช่ใจของผู้อื่นผู้ใดการสร้างบุญขเหมือนกันไม่มีที่เก็บไม่มีที่รักษาไม่มีตู้ไม่มีหีไม่มีหว้วยน้องคลองบึงที่จะ เ, เอาบุญเปเทลงไว้เป็นภาชนะสำหรับรับบุญไว้มีใจดวงเดียวเท่านั้นเป็นที่เก็บที่รักษาและเป็นที่จะสนับสนุนตนให้มีความสุขความสบายตามอานาจแห่งบุญที่มีมากน้อย ท่านสอนลงที่นี่ตามหลักความจริงไม่สอนที่ไหนลบเราจะเห็นไม่เห็นเจอไม่เจอก็ตา่างในแดนมนุษย์ที่เราไม่เห็นเวลานี้แต่จะลบล้างสิ่งที่มีอยู่ตามหลักธรรมที่กล่าวไว้นั้นลบล้างไม่ได้สาสตร์โลกจะต้องไปตามแถวแนวแห่งวิบากกรรมของตนเข้าสู่จุดนั้นนั้นจนได้ไม่สงสัยเพราะไม่เคยได้ยินว่านารกแต่ละหลุมและหลุมนั้น ได้ว่างจากสัตว์นรกไม่มีใครไปตกเพราะสัตว์โลกไม่ต้องการสัตว์โลกไม่อยากทรมานนรกแต่และขุมแล้วขุมหรือแต่และหลุมแลหลุมนั้นจึงว่างเปล่าจากสัตว์นรกที่จะไปตกไม่เคยมีเต็มแน่นแออัดอยู่ในสัตว์นรกหรืออยู่ในแดนนรกไม่มีจานวนน้อยๆเป็นแต่เบียงเราไม่ทราบแล้วก็ทาให้จิตใจด้านหารสู้ตอ บาปต่อกรรมทั้งหลายด้วยความยิ่งแย้มเฉยใสแต่ขยะขย้งในธรรมทั้งหลายที่ควรจะเป็นผลเป็ น, ป, นประโยชน์อันจะนำตนให้ไปสู่ความสุขความเจริญนับแต่สวรรค์ขึ้นไปถึงนิพพานมันก็มีเท่านั้นเหตุใดจิตใจ จ, จึงรักชอบในในความชั่วไม่พอใจในความดีก็เพราะีิเรศเป็นสิ่งที่ชั่วช้าลามกขอยู่แล้วมันจะไปต้องการของดีมาจากไหนพอมาเป็นเครื่องประดับใจของพวกเรา ที่เป็นครั้งกิเลสเรื่องของกิเลสซึ่งเป็นสิ่งที่ต่ําช้าละมกต้องสร้างแต่ความต่ําช้าละมกอยู่ตลอดเวลาใครไม่มีธรรมล้าไม่มีเครื่องห้ามคใครไม่มีเบรคห้ามล้อตัวเองผู้นั้นจะจมไปด้วยอํานาจแห่งกิเลสจนได้ไม่ต้องสงสัยแต่ผู้มีธรรมเป็นเครื่องห้ามล้อเป็นเป็นเบรคและมีคันเร่งที่จะ ชุดล่าตนเองออกจากสิ่งชั่วช้าละมุกนั้นนะผู้นั้นมีหวังที่จะไปสู่จุดหมายปราทางอันเป็นที่พึงใจของตนได้นี่หลักธรรมท่านสอนไว้เช่นนี้สอนใครถ้าไม่สอนพวกหูหนวกตาบอดจากพวกเหล่านี้หูหนังตาเนื้อมันก็เห็นแต่สิ่งที่อยู่ในวิแสงมันไอทำที่กล่าวสิ่งที่กล่าวเหล่านี้ไม่สามารถมองเห็นใจก็บอก เราจะว่าเราฉลาดได้ยังไงเมื่อจิตใจก็เป็นอย่างนี้มันบอดอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่หรืมีหูแจ้งตาสว่างภายในจิตใจบ้างเลยจึงต้องยอมเชื่อพระพุทธเจ้าว่าพุทธังสนังขฉามิยอมกราบไหว้ยอมเคารพนับถือยอมฝากเป็นฝากตายเขากับท่านแล้วนําพระว่าของท่านมาฉุดลากมาประดับประดาตนเอง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 ทำที่สว่างเจ้าภ า, ายในพระไถ่ของพระพุทธเจ้าและทำที่มีอยู่ทั่วไปก็เป็นมหามงคลแก่เราผู้ระลึกถึงท่านสังฆังสนังขะฉามี่ก็เหมือนกันท่านเป็นผู้มิเศษทั้งนั้นธรรมชาติทั้งสามนี้คือธรรมชาติที่ยิ่งส และธรรมนี่เคยปรูศสัตว์โลกมาพร้อมแต่โลกเกิดมีโลกขึ้นมานู่นแหละจนกระทั่งปัจจุบันนี้หรือพวกเราผูกเป็นนักปฏิบัติ้พึ่งดูเรื่องจิตใจที่พร้อมแล้วที่จะเข้าสู่ของฟืนกลองใส อยู่ในปัจจุบันนี้ก็ไฟราคะไฟตัณหาไฟความโลภความโกรธความหลงมันเผาผลานอยู่ภายในจิตใจให้แก้มันด้วยศรัทธาความเชื่อความเมนใสวิทยะความภาคเพียรสติความระมัดระวงังรักษาตนสมาธิคือความสงบเย็นใจด้วยอำนาจแห่งความภาคเพียร ปัญญาความสอดส่องมองทะลุเหตุผลดีชั่วเป็นโทษเป็นคุณประการใดบ้างให้เลือกเป็นด้วยดีอยู่โดยสม่ำเสมอนี่คือว่ากมจัดไฟที่มีอยู่แล้วก็จะลดน้อยลงไปที่ยังไม่เกิดก็จะไม่เกิดจะไม่ลุกลามภายในจิตใจของเราให้ร้อนมากไปแล้วสุดท้ายก็ไฟเหล่านี้ก็จะดับเพื่ออำนาจแห่งธรรมตะปะธรรมเป็นเครื่องแผดเผาไฟ ราคาตันหาหเบาบางและหมดไปจากใจนี้ไม่มีน้ำใดที่จะดับไฟกิเลสประเภทต่างๆได้นอกจากน้ำอัดน้ำถมเป็นของสำคัญกว่าสิ่งอื่นใดถึงให้ดูผู้ที่จะเหมานรกก็คือใจดวงนี้ จะเหมากองทุกทั้งมวลก็คือใจตรงนี้เพราะสร้างอยู่เสมอเผลอไม่ได้เนื่องจากกิเลสมันไม่มีคำว่าเผลอแต่ฝ่ายทําเราเผลอเสม อ, เ, อ, เ, อเมื่อเผลอเมื่อไรกิเลสต้องต่อยเอาต่อยเอาเพราะกิเลสมันราบลื่นคล่องแคล่วพายนตัวของมันพอแล้วเนื่องจากได้เป็นเจ้ามหาอำนาจปกครองจิตใจของสัตว์โลกมาเป็นประจาวัตจักรนี้ เพงไม่มีอะไรที่จะมีอํานาจเหนือกิเลสและไม่มีอะไรที่จะคล้องตัวยิ่งกวกกิเลสออกทํางานบนหัวใจสัตว์มีทำเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องกําจัดศัดเต่าและรูปเพลงของกิเลสประเภทต่างๆได้โดยลําดับและได้โดยตลอดตัวถึงจะมาคั้งถึงปราบให้ราบออกจากจิตใจได้ไมีทำเท่านั้นเมื่อใจได้เมื่อทําได้ปราบกิเลสให้ลาบออกจากใจแล้ว ไม่ต้องบอกให้กราบพระพุทธเจ้าก็เป็นเองไม่ต้องกราบพระธรรมก็ เ, เป็นเองไม่ต้องกราบพระสงฆ์ก็เป็นเองเป็นอยู่ภายในจิตใจประทับใจเซิงใจทุกอย่างบาปมีไหมนรกมีไหมสรรค์มีไหมพรหมโลกมีไหมนิพพานมีไหมตั้งจากหัวใจของผู้รู้ผู้เห็นนั้นหาที่สงสัยไม่ได้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 หาที่ยึดหาที่เกาะหาที่พึ่งพาซึ่ง ก, กันและกันไม่ได้เพราะต่างคนก็ต่างมีแต่กองฟืนกองไฟมีแต่ความรุ่มความหลง ม, มืดมิ ด, มดปิดตาเป็นคนตาบอดด้วยกัรฉัดตาบอดด้วยกันหาความสว่างกระเจาแจ้งพอที่จะจูงกันออกสู่แดนแห่งความสวัสดีปลอดภัยไม่มีเลย หากพระพุทธเจ้าไม่ได้มาตรัสรู้แล้วโลกอันนี้ก็ไม่ผิดอะไรกับโลกันตานรกจะหมุนกันไปอยู่เช่นเดียวกับปลาที่ถูกโยนลงในหม้อน้ำร้อนนั่นแหละไม่มีทางออกมีเรานะว่ามีวาสนาที่ได้เกิดมาในถ้ากลางแห่งศาสนาธรรมได้ยินได้ฟังพระโอวาทอ่าน เป็นบันไดฉุดลากพวกเราทั้งหลายได้ขึ้นจากหลม่มดิบออกจากที่มืดได้ด้วยศีลด้วยธรรมออกจากกองทุกข์ได้ด้วยความดีด้วยพระโอาวาทคำตักสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพัฒกับเรากำลังเจริญคาว่าพัทระหมายถึงความเจริญให้เจริญด้วยศีลด้วยธรรมเจริญด้วยความอุตสาหพยายามในความดีทั้งหลาย แล้วใจจะเป็นผู้เจริญทรงอัดทรงธรรมทรงความสุขความสบายความรื่นเริงบันเทิงภายใ น, ในใจิตใจซึ่งเป็นความรื่นเริงบันเทิงและความถูกแปรจากกิเลสเอามาแฝงให้เอามาหลอกเปไนน็นใหญ่ๆมีรากใหญ่อยู่ที่ตรงนี้ทำอย่างไรทำจึงจะปรากฏในใจพระธรรมที่สอนไว้ทั้งหมดนี้เป็นทางเบิกกว้าง เพื่ออัดเพื่อทำเท่นั้นไม่ใช่ทางตีบตันปิดบางทางที่จะเข้าสู่ความเห็นอัดเห็นทำเป็นทางที่เบิกกว้างไว้ทั้งนั้นนอกจากกิเลสถ่ายเดียวฝ่ายเดียที่ปิดกันไว้ไม่ให้เราสอบไม่ให้เราสแสวงไม่เห็นอัดเห็นทำไม่เห็นความจริงให้เห็นแต่สิ่งจอมปลอมทั้งนั้นเพราะกิเลสมันเป็นของปลอมของปลอมเต็มตัว มันจะผิดจริงที่จริงมาให้เราได้ยึดไต่ถือได้เป็นชีวิตอิโมคลได้รับความสุขความเจริญได้อย่างไรเพราะมันปลอมทั้งตัวปลอมร้อยเปอร์เซ็นตมีพันมีหมื่นมีแสนเปอร์เซ็นต์มันปลอมถึงพันถึงหมื่นถึงแสนถึงล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าปู่ย่าตายายของกิเลสไม่ว่าลูกว่าเต่าหลานเลนของกิเลมันจึงปลอมด้วยกันทั้งนั้นและหลอกโลกให้หลงให้เชื่อความจําปลอม ไม่มีบรรจาเจอของจริงถ้าไม่เอื้อมมือเขา้าเกาะทำเสียเมื่อใดแล้วจะไม่เจอของจริงตลอดไปจะตายกองกันอยู่ในความจอมปลอมและเป็นไปื่องความทุกข์ความทรมายดูในภพน้อยภ พ, ยพใหญ่ดั้งที่เป็นมานี้ตลอดไปหาที่สิ้นสุดยุติไม่ได้เลยทิ้งที่จะทําให้สิ้นสุดยุติได้ก็คือทำทำมีประมาณทำมีขอบเขตเพราะทำเป็นของจริง สอนโลกสอนด้วยความจริงอันใดจริงทาสอนอย่างนั้นไม่เคยหลอกเคยลวงต้มตุ๋นเหมือนกิเลสเิเ็สมันหลอกมันลวงต้มตุนสัตว์โลกจะรับความทุกข์ความทรมานหรือผู้คนเราได้รับความล่มจมจนเสียเนื้อเสียตัวคิบหายใบพวงไม่ใช่เพราะทำพาให้ชิบหายพาให้เสียตัวเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลแต่ใครๆก็ไม่ได้สนใจ ในสาเหตุของมันที่จะทําให้เราล้มจมเพราะอะไรเนี่ยจริงว่ามันกรอมได้อย่างสนิทใจเพลงปลอมๆกรอมได้สัตว์โลกได้สนิทใจแต่ทำของจริงนี่กรอมยากเพราะกิเลสมันเนี๊ยมหนาดมากกว่าในหัวใจของสัตว์โลกนอกจากทำเนี๊ยมนาดมากขึ้นไปเดิมดับจนกระทั่งปราบกิเลสทั้งหลายให้ราบไปหมดไม่มีอะเหลือแล้วอาเธอ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 เพื่อกำลังของกิเลสตัณหามันเจะรุ น, นแรงขึ้นภายในตัวของเรากลายเป็นไฟทั้งกองเผาหัวใจเราจนหาที่ปลุกที่วางมาได้นั่นเลยเราเป็นนักธรรมะจึงควรทดสอบแยกแยะอข้างตวงระหว่างกิเลสกับธรรมต่างกันอย่างไรทั้งเหตุทั้งผลทั้งการสัมผัสสัมพันธ์สิ่งดีชั่วต่างๆกิเลส จ, จะหลอกไปโดยลําดับลำดาดีก็หลอกว่าไม่ดี สิ่งที่จริงหลอกว่าปลอมสิ่งที่ปลอมมันหลอกว่าจริงทั้งนั้นนี่คือเรื่องของเฉลติเฉลตไม่เคยอยู่ตามปกติสุขไม่เคยอยู่ด้วยความเป็นธรรมเหมือนธรรมจะอยู่ด้วยความปิ้นป้อนหลอกลวงแสดงออกด้วยความปิ้นป้อนหลอกลวงความต้มความปุ่นเอาฟืน้นเอาไฟเผาจากโลกอยู่ตลอดเวลาเิเต์มีอยู่ที่ไหนมากน้อยโลกจะหาความสงบร่มเย็นไม่ได้จะมีแต่ความร้อนความระส่ำระสายไม่ว่า ในสังคมมนุษย์เราไม่ว่าแต่ตัวของเราครอบครัวของเราถ้าผู้ใดมีความสนใจไฟต่ําครอบครัวนั้นจะหาความร่มเย็ยนเป็นสุขไม่ได้แม้แต่สามีภรรยาก็าต้องแตกจากกันเพราะเยอหยดไม่เคยสร้างความพอดีไม่เคยสร้างเมืองพอหัวใจของสามโลกมีหนึ่งแล้วอยากมีสองมีสองแล้วอยากมีสามความโลภโลภไม่มีใครเกินกี่เลยคำว่าโลภ คำว่าหลงก็ไม่มีใครเกินอ ใ, ใครเกินี่เลยคำว่ารักก็ดีชังก็ดีไม่มีอะไรเกินที่เลสจึงหาความพอดีไม่ได้ถ้าลงกิเลสได้เข้าแทรกตรงไห น, นยิ่งเสริมกิเลสด้วยแล้วแลกไปเลยไม่ต้องมีไม่ต้องสงสัยมีทำเท่านั้นเป็นเครื่องห้ามล้อเป็นเบรคให้พอเหมาะพอดีถึงจะละไม่ได้ก็ให้มีทำเป็นเครื่องกำกับรักษา เหมือนอย่างโรคชนิดต่างๆที่ไม่อาจจะรักษาให้มันหายได้ยาพอประทังยังมีก็ยังดีอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อเรายังไม่มีความสามารถที่จะปราบมันให้หมดจากใจได้ได้เราก็ให้มีทาความพอดีความมีประมาณเข้าไปรักษาเข้าไปประดับตนเองไปบังคับตนเองเช <c oughs> ่นคู่สามีภรรยาอย่นี่ก็มีกันเพียงสองคนเท่านั้นก็สบาย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 เพราะความโลภไม่มีเมืองพอเพราะความรักไม่มีเมืองพอนะมีธรรมเท่านั้นทําให้โลกได้รับความสงบกล่มเย็นพูดอะไรก็ฟังกันรู้เรื่องถ้าต่างคนต่างมีธรมรมถ้าผิดยอมรบับการไม่เลยดันทุรังกันความดันทุรังก็คือกิเลสไม่ยอมแครง่ายๆธรรมะเกศไม่ยอมใค ร, คคใครถ้าทำแล้วยอมเมื่อ ยิงแล้ยอมรับกันถูกต้องและยอมรับกันโดยทางเหตุผลโรคอยูด่ด้วยกันได้สังคมใดก็ตามทายิเลศออกหน้าออกตาความโลภความมากใหญ่ไฟสูงความเห็นแก่ตัวเข้าไปเป็นเจ้าหน้าเจ้าตาอยู่นั้นแล้วสังคมนั้นก็คือสังคมล้มเหลวสังคมของเด็กยังยังดีกว่าเพราะเด็กสังคมของเด็กเด็กไม่ก่อความเสียหายได้เหมือนสังคม ครั้งที่เหล็กนี่เราก็เห็นได้อย่างยั่งานระหว่างที่เล็กกับธรรมหากจะสนใจพิจารณาไม่ลําเอียงหน้าเอาที่เล็กเป็นเสน้นังาฉามีแค่โดยถ่าเดียวเท่านั้นที่ย่นเข้ามาถึงหัวใจของเราซึ่งเป็นนักปฏิบัติดูมันที่วันหนึ่งไปยังไงมันแสดงความรักขึ้นมารักอะไรความรักก็กับเพื่อมความรักก็ เป็นสิ่งยุแย่ก่อควนความชังก็เป็นสิ่งยุ่ยแย่ก่อควรความโกรธมันก็เป็นสิ่งยุแย่ก่อควรทั้งนั้นความโลภเป็นสิ่งยุแย่ก่อควรคำว่ า, าผู้ที่ถูกยุแย่ก่อควรนั้นมีความสุขที่ไหนไม่มีสิ่งยุแย่ก่อควนต่างหากจึงเป็นความสุขของเราอื jackets. มีก็พยายามดูใจเจของมีอะไรยุ่ยแย่อยู่เสมอเวลานี้มันเกิดขึ้นที่ใจนั่ น, น, นแหละ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 อย่างนี้มันต้องได้ปกครองหัวใจของสารโลกเรื่องของกิเลสหนี้เราต้องการมักหลืออยางให้กิเลสปกครองหัวใจของเราเคยปกครองมาเท่าไหร่เวลานี้อะไรปกครองถ้าไม่ใช่กิเลสปกครองทำทั้งหลายได้ปกครองเมื่อไหร่มีนิ่งๆหน่นอนแล้วก็ความใจล้มไปล้มไปถูกกิเลสทํำลายทําภายในใจอืสมาธิทำสมาธิทำก็ถูกมันทำํำลายตั้งไม่ได้ถูกมันทำํำลายปัญญาทำก็ตั้งไม่ได้ถูกมันทำํำลาย มีแต่ความขี้เสียจขี้แค้นความโหูเง่าตาตุ่นหาความคิดความอ่านแต่ตรองอะไรไม่ได้จะเป็นเรื่องอะไรถ้าไม่ใช่เรื่องของกิเลสแล้วความฉลาดแหลมคมจะเอามาจากไหนความผองใสตลอดตึนความมือสื่อของใจจะได้มาจากไหนได้มาจากกิเลสเป็นได้เป็นไปได้หรือกิเลสมันตัวมืดดำตัวศกกระโปรรกดูลังที่สุดแล้วทําไมจะทําจาองเราให้สะอาดได้ถ้าไม่ใช่ทำซึ่งเป็นธรรมชาติที่สะอาดเยี่ยม เนื้อแดนโลกธาตุนี้จึงต้องอาศัยธรรมเหล่า น, นี้เป็นเครื่องประคับประคองใจของเราให้ได้ชมสิที่ท่านว่าไว้นั้นไม่ใช่โมคะาาสัสดาไม่ใช่ศัสดาองค์รุ่ลดาวเป็นศัสดาองค์เอกไม่มีอะไรเสมอเหมือนแล้วในสามแดนโลกธาตุนี้ผู้จริงทุกสิ่งทุกอย่างรู้จริงเห็นจริงสอนจริงผู้ปฏิบัติจริงตามนั้นจะไม่ไปไหนจะต้องเจอความจริงสถานที่จริงสิ่งที่จริง จริงอยู่ที่ใจ น, นี่แหละถ้าจะเป็นตัว